ทุกและโยมทุกคนนะจริงวันนี้ก็มีหลายที่นะที่มีบรรยหญ่ธรรมมีปฏิบัติธรรมที่สารินชิมก็มีพระอาจารย์ประโมท่านก็มาบรรยหญ่ธรรมทุกวนะันอาทิตที่สามของเดือนที่บ้านนาดีก็มีบรรยหญ่ธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยนะนะในวันนี้แ้วก็หลายสัปดาห์ ที่ดีทีจิตลมก็มีแล้วก็คงมีอีกหลายๆแห่งนะที่ที่มีการบรรยายนธรรมหรือว่าพากันปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่ที่ดีนะที่ที่ชาวพุทธหรือว่าที่คนไทยเราโดยเฉพาะคนในเมืองคนในกรุงเทพเนี่ยเริ่มสนใจธรรมะ ก, กันมากขึ้นนะไม่ใค่สนใจธรรมะเองแต่ว่านะ ทำบุญตัดบาสนะแต่เรายังสนใจมากกว่า น, นั้นนะที่เกี่ยวกันการทําบุญในการตัดบาตการถวายสังฆทานการไปรวัดนะสวดมนต์ไหว้พระก็เป็นสิ่งที่ดีนะก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็ยังคนคลายมากกว่า น, นั้นก็คือว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมนะหรือว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลตื่นสิกินเจนะ บางคนเชืสายจีนหรือบางคนก็อาจจะไม่เชยสายจีนก็ถือโอาสนะรักษาสิ่งห่าหรือบางคนก็คือสิ่งแปรแล้วก็วิตัคเนื้อสัตว์ก็คือการทานเจนะก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะอย่างน้อยปีหนึ่งก็ทําให้นะไม่มีการทานอาหารที่เรียกว่าก่อนจากเนื้อนะก็ทําให้ร่างกายเราจจะได้พักผ่อนในการ ย่อยพวกเนื้อนนเนาะอาจะย่อยยากตนระนี้เป็นสิ่งที่ที่ดีทั้งนั้นนะดีทั้งนั้นการจะทําบุญการจะรักษาสิ่หรือว่าการจะรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราหรือว่ามีโทษ น, น้อยน้อนี่นเป็นสิ่งที่ที่มีประโยชน์แต่คราวนี้มันก็ยังมีส่วนของเรื่องของที่มันโดยตรงมาสู่จิตใจ โดยตรก็ก็เป็นส่วนที่สําคัญนะเรื่องพวกนั้นบางทีมันเป็นเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยสมมตุติอาศัยคนอื่นอีกหลายอย่างเช่นเราจะทําบุญตัดบาตรจะต้องรอพระมาใส่บาตรได้แต่ว่าตอนเช้าหรือเราจะไปถวายสังฆทานก็ต้องนําไปถวายแก่พระที่วัดนะหรือในที่ที่มีพระอยู่เราจะรักษาศิลถ้าเรยนพิธีกรรมก็ต้อง มีพระท่านอารัธนาสิ่งให้เราก็ว่าตามแต่เรื่องการปฏิบัติธรรมเลยนะมันเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องรอใครก็ได้นะไม่ต้องรอเวลาไหนก็ได้นะเราสามารถปฏิบัติธรรมได้ทุกเวลาเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องตัวเราโดยเฉพาะไลยนะก็คือเรื่องกายเรื่องใจของเราโดยเฉพาะเลย ถ้าเราเข้าใจเรื่องการปฏิบททัติธรรมนั่นก็คือเรื่องเรื่องกายเรื่องใจของเรานี้เองเราปฏิบัติกับกายกับใจของเราได้ถูกอันนั้นคือการปฏิบัติธรรมถ้าเราปฏิบัติกับกายกับหรือว่าใจของเราผิดนะอันนั้นก็เรียกว่าเราไม่ปฏิบททัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบนะไม่ไม่ใช้อยู่ที่พิธีกรรมแต่ถ้าเราปฏิบัติกับตัวเราได้ถูกการปฏิบัติกับตัวเราได้ถูกคืกกออะไร ปฏิบัติกับตัวเราแล้วมันไม่ทุกข์กันนะนะคือทางที่ถูกถ้าเราปฏิบัติกับกายกับใจเราเกิดความทุกข์อันนั้นแนหะปฏิบัติผิดเพราะฉะ น, นั้นเมื่อเราปฏิบัติกับตัวเราอย่างถูกต้องกายและใจนะมันก็จะทุกข์น้อยลงนะจนถ้าหมดทุกข์ได้แต่การปฏิบัติกับกายนะมันอาจจะทําได้เพียงแค่บรรเทาตั้งตานะหรือว่าเรียกว่าทําให้ เขาทุกน้อยลงไปบ้างแต่กายเนี่อย่างไรเขาก็แสดงความทุกข์ให้เห็นนะทุกจากการแก่ทุกจากการเจ็บทุกจากการตายนี่มันเป็นธรรมชาติของทุกคนไม่มีใครหนีพ้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็หนีไม่พ้นนะครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็มีอะไรรูปที่ท่านก็เป็นมะเร็งหรือไหลลูกท่านก็เป็นเบาหวานเป็นความดันแต่ใจท่านก็เป็นทุกข์ มีหลายคนนะคิดว่าถ้าปฏิบัติทำแล้วถ้าทำบุญแล้วมันก็ต้องไม่เป็นโรกเป็นภัยตินะต้องไม่เป็นมะเร็งต้องไม่เจอสิ่งที่ร้ายๆเข้ามาในชีวิตนะแต่ที่จริงไม่มีใครหนีคนนะไม่มีใครหนีคนเพียงแต่ว่าจะเจอมากเจอน้อยก็แค่น่าหละนะบางรูปก็เจอมากนะบางรูปก็เจอน้อย นะอย่างพระพุทธเจ้าเองนะก็มีผู้คนศรัทธาผู้คนสนับสนุนก็นามากไม่ว่าเจอทางด้านบวกนะอันนี้ถือได้ว่าเป็นโลกประธรรมแต่ก็เจอที่ทเป็นด้านลบ ก, ก็เยอะเหมือนกันนะเจอคนอตานําหนิเจอคนดา่าเจอคนทําร้ายอันทีก็เจอสัตว์ทําร้ายเจอมาทรทาร้ายขึ้นเจอทั้งสองด้านแนหะแม้แต่พระพุทธเจ้าเราก็เจอนะครูบาอาจารย์ แหลายๆรูปก็เจอความทุกข์เพราะเจอความทุกข์นะแต่ไม่ใช่ท่านเป็นพื่ทุกข์มันต้องแยกหอางน ะ, ะถ้าเราเจอเห็นว่าเามันเป็นแค่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่โลกประทมที่เกิดขึ้นอเจอแล้วถ้าผ่านได้เนะี่ยจิตใจก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเจอแล้วผ่านไม่ได้เนะี่ยจิตใจก็ทุกข์นะี่หลายรูปนะ้ำมังทีเจอดา่าเจอว่า ยังมีครูบาอาจารย์รูปหนึ่งท่านอยู่แต่ตอนนี้ท่านมรณภารัชกาลนั้นเป็นเจ้าว่าวัดถ้ำเย็นิกนะหลวพ่อประสิทธิ์นะทาวโรท่านเป็นบุกเบิ่งสร้างวัดถ้ำเย็นปกที่เกอะสีชังนะแต่เกอะสีชังก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะก็มีมีเจ้าถิ่นที่มาอยู่นะ ร, น ร, นรุ่นเดียวกันแต่ว่าอยู่ก่อนหลวพ่อประสิทธินะ์โดยที่พื้นที่ในก่อนมันก็ไม่มากนะ ก็มีการเรียกว่าอยากจะได้เป็นที่ของวัด น, นะมาเป็นพื้นที่ของตัวเองนะก็พยายามอยขับไล่หรือว่าก่บป่วนย้าที่อธิบายมีวันหนึ่งหลวงพ่อประสิทธิ์ท่านท่านเดินบินท บ, บาลนะเดินบินท บ, บาลอยูนบริเวณตลาดตอนนั้นนหะพอเดินผ่านหน้าบ้านนักเตงคนหนึ่งเดินะเดินผ่านหน้าบ้านนักเตะคนนั้นก็ก็เห็นเห็นหลวงพ่อประสิทธิ์เดินผ่านมาก็เลยตาม ด่าหลวงพ่อท้ายๆว่ามึงประพฤติตัวไม่เรียบร้อยนะมึงเป็นพระไม่ดีมึงออกไปจากวัดที่นี่ซะอะไรประมาณนั้นก็ด่าด่าหลวงพ่อเกษยเสียหายถ้าเป็นพระทั่วไปบางทีก็อะไรนะมาด่าเราได้ยังไงเนาะก็ไม่พอใจหรือบางคนก็อาจจะ ก, กดกๆไว้เดินเรีย บ, บไปลกไปทำพ่นๆไป แต่ของพ่อประสิทธิ์นะท่านเดินไปแทนที่ท่านจะเดินหนีนะท่านเดินเข้าไปหาคนที่ด่าได้นะเดินเข้าไปหาเขาแล้วก็ไปไปจับมือเขาจับแขนเขานะอ่านักเบงก็ตกใจทำไมพระเดินมาหาผู้สาดาหรือว่ามันจะเดินหนีหรือว่าจะกลัวอ่ะท่านเดินเข้ามาหานะมาเขย่าแขนแล้วก็ถามว่าถามว่ามึงดา่าใครมึงดา่าใครนักเบงก็บอก ก, ก็ด่ามึงนั่นะอืม เออดีแล้วด่านมึงไงอดีกว่าอย่ามาดาม่ากูแล้วกัน <c oughs> น่ะคือท่านท่านเลือกนะ่ะเตืเ้อจากเลือกไม่เลือกเขาคำด่านะมันเป็นตัวกูอ <c oughs> ไม่โดนกูนะไม่ไม่ดนตัวท่านนะ่ะก็ด่ามึงก็ด่ามึงไปนะไอ้ที่มันดาพอคนที่รับคดาด่าเขาไม่รับนะมันก็กลับไปหาเจ้าของเขานั่นแหละคล้ายๆอย่างที่พระเจ้าท่านบอกว่า มีพรามลูกหนึ่งนะท่านก็ตำแหน่งพระพุทธเจ้าไม่ศรัทธาท่านท่านก็ถามพรามว่าเวลามีแขกมามาเยี่ยมบ้านท่านนะท่านจะต้อนรับแขกคนนั้นอย่างไรออพรามก็บอกว่าก็ให้ข้าวให้น้ําให้การต้อนรับปฏิสันทานตามปกติหากว่าถ้าแขกคนนั้นเขาไม่รับประทานข้าวแล้วก็น้ําที่ท่านนำมาทำว่าเอามาต้อนรับอ่ะข้ารแล้วน้นั้นจะเป็นของใคร กับไปเป็นของเจ้าของบ้านใช่ไหมอืมคุณผูผ้ชก็บอกว่าคาําด่าคําตีขีดนินทาถ้าเราไม่รับเสียแล้วมันก็เป็นของคนคนนั้นแหละตอนนั้นที่จริงเนี่ยเรื่องพวกนี้นะเป็นโรคประทับเป็นสิ่งที่มีผู้โรคธรรมดานะธรรมดาไม่มีใครหนีพ้นบางทีนะญาติโยมบางคนจะเข้าใจผิดหรือแม้แต่พระลังรูปปฏิบัติแล้วจะเข้าใจผิดเหมือนกันนะ ทำไมเราทำบุญทำทานมามากเราปฏิบัติทำมามากทำไมแล้วต้องเจอเรื่องเลวร้ายแบบชีวิตบ้างมีมีเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนที่สุรินนะก็มีไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่จังหวัดสุรินไฟไหม้ครั้งใหญ่ก็มีญาติโยมในตราที่โดนไฟไหม้ก็มาตาหนิหลวงปู่ดูลหลปู่ดูนี่เป็นลูกศิษย์ของปู่มั่น เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ทำบุญกับหลวงปู่มาสัมมานะรักษาศีล น, นะก็ไหลหลายค่หลายคนแต่ทำไมบ้านเขาต้องโดนไฟไหม้ด้วยคล้ายๆไม่เคืองตำหนิหลวงปู่เสียทีเดียวหรอกแต่ตาหนิถึงคล้ายๆถึงบุญนะทำไมทำบุญมามากทาไมบุญไม่คุ้มครองรักษาเขาให้รอดค้นจากไฟไหม้นะที่จริงเป็นความเข้าใจผิด น, นะนะ ทห้ทำบุญก็ทําบุญไปให้ไฟไหม้ก็เป็นส่วนหนึ่งม่อาจจะเกิดจากกรรมหรือวิวา ก, กรรมอะไรก็แล้วแต่เหรือจะเป็นกรรมโดยธรรมชาติในปัจจุบันนั้นก็ได้ที่จริงเนี่ยในเรื่องคนนี้นะไม่มีใครหนีคนแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นมันจะทําให้เราพ้นพ้นความทุกข์นะพ้นจากความทุกข์อย่างครูบาอาจารย์บางท่านเป็นโรคมะเร็งนะบางครั้งโดนคนว่าโดนคนทําร้าย แต่สิ่งที่พ้นคือจิตใจนะกายมันไม่ค่อยพ้นหรอกนะกายเป็นโรคมาเรงก็ต้งางรักษาโดนคนอื่นเขาด่ามันก็ได้ยินนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินแต่ที่มันพ้นคือจิตใจที่มันไม่ทุกข์ไอ้ น, นี่คือสิ่งที่เราจะพ้นได้นะสิ่งที่ทําให้จิตใจเราพ้นจากความทุกข์ได้ก็คือเรามีกรรมฐานเรามีธรรมะนะตรง น, นี้จะทำให้ช่วยให้จิตใจเราพ้นจากความทุกขนะ์ก็คือว่าไม่เอาความทุกข์นั้นมาเป็นเรา มาเป็นของเรานะอันนี้แต่ทาให้เราเห็นว่าความทุกข์ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งความทุกข์เป็นเียษเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปนี้นะนะความทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนามนี้แต่นั้นไม่มีเราก็ไปเป็นผู้ทุกข์ด้วยอันนี้มันจะช่วยให้เราเห็นความจริงตรงนี้นะแล้วก็ไม่ใช่แค่เห็นนะแต่มันเป็นดังนั้นด้วยนะเป็นเลยเป็นผู้ที่ไม่ทุกข์อันนี้เป็นแบบใช้ประาชญ์สมุนนะก็คือว่า มันไม่ใช่เพียงแค่เข้าใจเรือความคิดเข้าใจเรื่อหลักฐานแต่พอฝึกปฏิบัติไปนานๆ น, น, นะมันจะกลายเป็นผู้ที่ไม่ทุกข์นะเป็นผู้ที่เรียกว่าเหตุทุกข์มันจะเป็นโดยอัตโนมัติของมันเองนะไม่ใช่ว่าเราพยายามคิดพิจนารณาแล้วก็เออเดี๋ยวมันก็ไม่ทุกข์ไม่ใช่นะแต่เป็นการที่รจิตมันเปลี่ยนของมันเองจิตเข้าใจไม่ทุกข์ของเขาเองเขาเ้าใจเพียงแค่รับรู้แล้วก็ปล่อยวางของเขาเองอันนี้เรื่อง ที่าสามารถปุดได้ที่จริงไม่ใช่เพีแต่เรื่องของความทุกข์เท่านั้นนะเรื่องของความสุขนะก็ เ, เป็นผู้ที่สุขเป็นนะนะไม่ใช่แต่ไม่ใช่จงของความสุขบางคนนะเรียกว่าพอใจในความสุขพอใจในความสงบพอใจในความสบายแล้วก็ติดกยนแค่ความสุขความสงบความสบายไอ้พวกนั้นก็ทาให้เราเรียกว่าเนื่อช้าเหมือนกัน บางคนเคยทำสมาธิมาเชื่อว่าหลายคนก็คเคยทำมาบ้างสมาธินี่ก็มีรสชาตินะรสชาติมันมันดืงมดำด้วยความสงบดื่มดำด้วยความสุขดื่มดำด้วยความสบายทำมาแล้วต้องไม่อยากออกไปไหนคล้ายคล้ายในห้องแอร์เนี่ยนะมันเย็นสบายนะไม่อยากออกเพื่อนน อ, นอกเลยนะออกไปข้างนอกก็ตา่างกันหลายองศานะอยู่ที่นี่สบายดี เข้าสมาธิก็เป็นเช่นนั้นนะพอเข้าแล้วก็รู้สึกนิ่งสงบมสบายไม่คิดอะไรต่างๆจิตก็พอใจจังนั้นแต่จริงการเข้าสมาธินะเมื่อมีการเข้ามันก็มีการออกนะจากสบายขนาดไหนถ้าพักหนึ่งกําลังสมาธิมันก็หมดไปนะบางคนขึ้นชั่วโมงบางคนชั่วโมงเนี่ยบางคนครึ่งวันบางคนก็เป็นวันได้แต่สุดท้ายก็เสื่อมไปเป็นธรรมดานะ มื่มีเข้าก็มีออกที่จริงสมาธิคล้ายๆเหมือนกับน้ําแข็งมือนเดยวนะน้ําแข็งไปตั้งไว้ในอากาศในในพื้นที่ปกติธรรมดาเนี่ยมันก็ค่อยละลายไปนะสมาธิมันก็เป็นเช่นนั้นแต่ที่จริงจริงที่เราจะฝึกคือเราฝึกสิ่งที่เรียกว่าสมาธิที่เรียกว่าจิตมีความตั้งมั่นตั้งมั่นในการที่จะรู้อารมณ์ในการเห็นอารมณ์แต่ไม่เข้าไปแค่กับอารมณ์นั้นไม่ใช่เพียเป็นผู้สมงบ เล่นอยู่เฉยๆแต่เป็นผู้ที่รู้อารมณ์โดยไม่เข้าไปเป็นกับอารมณ์นั้นอันนี้เป็นสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิไปทําพุทธศาสนาเลยนะไอ้สมาธิที่มีก่อนปุญ่ากับสรู้นั้นเรียรนนว่าเป็นสมาธิเพียงแค่ว่าทําความสงบเฉยๆสมาธิแบบน้ําแข็งนะสมาธิแบบน้ําแข็งแต่หลวงพ่อทีนั้ใช้คําว่าสมาธิที่ฝึกแบบเจริญสติน เ, ตน เ, ตนเนี่ยเป็นสมาธิแบบแบบน้าลึกน้าลึก น้ำลึกกับน้ําแข็งในต่างกันน้ําแข็งก็คือว่าเมื่อเจอแดดหรือว่าเมื่อเจอาเ อ, เจอากาศอุณหภูมิปกติมันจะค่อยๆละลายไปสมาธิ้าไปจะเป็นเช่นนั้นแต่สมาธิที่เกิดจากการเจริญสติหรือสมาธิในเ น, นืนาแนวทางพุจ้าทั้งเรียนเหมือนว่าเป็นสมาธิแบบน้ำลึกถ้าใครเคยลงไปเล่นน้ําในอย่างสมมติในแม่น้าอะไรน้ํา น้ำบนผิวน้ำเนี่ยมันจะค่อนข้างอุ่นแต่น้ำตัวที่อยู่ใกล้ๆตรงพื้นน่ะมันจะเย็นนะมันจะเย็นนะมันจะเย็นสบายกว่ามันเย็นแบบนั้นแหละแต่เพราะว่ามันโดนแดดน้อยกว่าที่อยู่ข้างบนใช่ไหมอันนี้คือเป็นสมาธิที่ไม่ได้ว่ามันตั้งมั่นมันมั่นคงแล้วก็เยือกเย็นด้วยสิ่งที่เราจะเดินสติกเนี่ยมันจะช่วยให้เราจิตใจเรามันเป็นปกติมากขึ้น เป็นปกติจนบางทีสิ่งที่กระทบเนี่ยมันแทบจะไม่กระเทือนเลยนะหรือกระเทือนเล็เกกระเทือนน้อยมากเมือ่อวานนี้ก็มีโยมคนหนึ่งมามาเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องการปฏิบัติของเขาเขาต้องมาปฏิบัติเจรเิญเสี้หลายครั้งแล้วเห็นหน้ากระต่ายติดครั้งเขาก็เล่าให้ฟังว่าจิตช่วงเนี้ยเปลี่ยนไปมันมันเฉยเฉยมันนิ่งนิ่ง้วแต่มันก็รู้ตัวนะ ไม่ใช่เฉยแบบไม่รู้ตัวไม่ใช่นิ่งแบบไม่รู้ตัวจิตตอนนี้มันเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนที่แต่ก่อนฟุ้งร้างมากแต่ก่อนไม่ค่อยสงบแต่จิตตอนนี้มันมันสงบขึ้นแล้วก็ค่อนข้างนิ่งไม่เหี่ยงซ้ายไม่เหวี่ยงขวาอ่ามันก็เป็นพัฒนาการนะจากการที่เรียกว่าตั้งใจปฏิบัติมาหลายปีจิตมันก็เริ่มเป็นปกติมากขึ้นอะ ไม่ค่อยเวี่ยนไปกับความสุขไม่ค่อยเวียนไปกับความทุกข์ไม่ค่อยเดีว่าเวี่ยนไปกับอารมณ์นะแต่ก็ต้องเปการนิ่งแบบรู้ตัวเลยนะถ้านิ่งแบบเฉยๆไม่รู้ตัวนะก็ยังไม่ใช่แต่นี้เขาต้องเป็นการนิ่งแบบรู้ตัวนะอันนี้คือถ้าเราทําถูกน ะ, ะสภาวะที่จิตมันนิ่งเนี่ยก็คือจิตที่เรียกว่ามันมีสมาธินะมันมีความหนักแน่นมีความมั่นคง ไอ้ตัวที่รู้ตัวนะ่ะเรีกว่าเป็นตัวที่เรียกว่ามีสติมีสัมผัชัญญอะอนะแต่ยังก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดปัญญาจริงๆถ้าเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยจนกระทัเกิดปัญญาเห็นว่าเห็นว่าอะไรเห็นว่าสังขารก็คือร่างกายและก็จิตใจเนะี่ยมันอยู่ในสภาวะของไตรักเหมือนที่เราได้ตรวจบทพิจารณสังขารนะนะ สังขารเนี่ยคือร่างกายจิตใจก็คือรูปธรรมหรือว่านามธรรมเนี่ทั้งหมดทั้งสิงส้นมันไม่เทีย่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนอันนี้คือเกิดปัญญาที่เราจะฝึกให้เห็นตรงนี้นะการเจริญสติเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญญาตวเนี้ยนะเห็นว่ากายเนี่ยมันเป็นทุกข์แบบไหนนะดูดีดนะเราฝึกใหม่ๆจะรู้สึกว่ากายเนี้ยมันบางทีก็ทุกข์บ้างบางทีก็สุขบ้างนะแต่ถ้ามองไปดีนะ ฝึกไปดีจะเห็นว่ามันมีแต่ทุกมากแต่ทุกน้อยมันไม่ใช่มีทุกกับสุกนะนะบางทีเราอาชีว่าตอนที่เราสบายดีนะอยู่ในห้องแอร์เนี่ยมันมีความสุขเหลือเกินแต่จริงถ้าเราดูดีนะมันเข้มแค่ทุกน้อยว่าอากาศมันดีแต่จริงมันร่างกายเร้องเผาผ่านพลังงานนะเดี๋ยวมันก็ตายไปทุกวินาทีวันหนึ่งเราจตายกี่ล้านตัว มันมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งนั้นนะเซลล์ในวันแรกที่เราเกิดมากับเซลล์ น, นัวนี้มันตายไปไม่รู้กี่รอบลนะมันเป็นเราคนใหม่ที่มาประกอบกันทั้งนั้นนะมันมีแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมีแต่ความทุกข์ที่ตั้งอยู่มีแต่ความทุกข์ที่ดับไปทั้งนั้นจิตนะใจก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าเราฝึกดีๆน่าจะเห็นว่าบังคับได้ไหมจิตใจเรานะมีใครบังคับจิตได้อนะ บางคนคิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการฝึกบังคับจิตฝึกบังคับจิตให้คิดแต่ด้านดีอย่างเดียวฝึกบังคับจิตให้นิ่งสงบอย่างเดียวฝึกบังคับจิตให้เรียกว่ามีแต่ความสึกอย่างเดียวหรือว่าฝึกสะกดจิตตัวเองให้จิตเฉยอย่างเดียวที่จริงพวกนี้เป็นแนวทางที่ไม่ใช่คําสอนพุทธเจ้าเลยน ะ, ะบางทีเราต้องตระหนักดีๆต้องรู้จักมีปัญญาเลือกเป็นดีๆบางที หลายตำนังหลายครูบาอาจารบอกว่าเนี่ยสอนปฏิบัติธรรมสอนสมาธิแต่บางทีสอนเป็นวิชาสมาธิก็มีนะก็คือว่าบางทีสอนให้ฝึกบังคับจิตสอนให้ติดอยู่กับความสมบงบหรือกับความสุขเฉยๆธรรมดานี่นยังไม่ใช่แนวทางคําสอนพุตตเจ้าเราต้องรู้จักเรื่องนะแม้แต่พระสอนแม้แต่บางคนอาจจะเป็นคนที่มีคนนับถือมากแต่ ถ้าการปฏิบัติมันเป็นไปเพียงแค่ความสงบเฉยๆความสบายเฉยๆมันไม่ได้เป็นไปถึงขั้นปัญญาก็คือความเข้าใจถึงกฎใจรักแล้วก็ถ้าให้เป็นไปถึงเพืเ่อ ค, ความเรียกว่าถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวต น, นออกไปได้นะอันต์นก็ยังไมีชาาเช่นวทางคําสอนของพรธเจ้าดังนั้นสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือเรียนรู้คําสอนของพระเจ้า ก็คือแนวทางที่เรียกว่าจะทําให้เราออกจากความทุกข์ได้พุะพุทธองค์ท่านตัดไว้ว่าแนวทางที่จะให้เราออกจากความทุกข์อ่ะคือสิ่งที่เรียกว่าสติปัฏฐานนสูตรนะก็คือการเจริญสติปัฏฐานนะตามแนวทางของพระเจาเจ้าเนี่ยแหละมันจะเป็นทางที่เรียกว่าทําให้เราออกจากความทุกข์ได้ในสติปัฏฐานก็คือการที่เรียกว่ามีสติคอยตามรู้นะหรือว่าคอยรู้ความเป็นไปของกาย แล้วก็ความเป็นตามรู้ความเป็นไปของใจนะแค่เรารู้นะรู้ว่ากายเนะี่ยหรือว่าใจเนี่ยมันมีอาการไดเกิดขึ้นเพราะนั้นแหละเราก็ปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าแล้วนะแค่รู้เฉยๆนะที่จริงการอุทําธรรไม่ใช่การพยายามบังคับจิตบังคับกายนะเพียงแค่รู้ว่ากายและกระใจเนี่ยมันมีอาการแบบไหนแค่รู้นะมันจะวางความทุกข์ของมันเอง ถ้ารู้เฉยเฉยรู้ซื่อจริงรจริงนะรู้แล้วไม่เจือด้วยความอยากนะไม่ใช่อยากให้ดีอยากให้เป็นแบบนี้นานๆถ้ารู้แล้วเจือด้วยความอยากเนี่ยก็ยังไม่ใช่คําสอนของพระเจ้าเพราะว่าอะไรความอยากถ้าภาษาบาลีก็คืออะไรก็คือเหตุของความทุกข์นะทุกข์สมุทัยนีิโรธมรรคพวกเราหลายคนก็เพิ่งเครู้จักนะสมุทัยคือตัณหา ปัญหาท่าภาษาที่เราเข้าใจถึงความอยากนะถ้าเมื่อไรที่มีความอยากเกิดขึ้นเมื่อนั้นมันก็นํามาตึงความทุกข์นะีเมื่อไรที่หมดอยากเมื่อนั้นก็หมดทุกข์ที่อย่าแค่นี้เองนะถ้าเราหมดความอยากได้ได้เมื่ะนั้นมันก็หมดความทุกข์มไม่มีอะไรมากแต่เจริง่ ว, ว่านะความอยากมันเกิดขึ้นนะบ่อยเกินเกินถ้าเราไม่รู้ทันแล้วก็ไม่รลงมันนะมันก็จะ เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เปเสมอไปดังนั้นเราความฝึกสติเพื่อให้รู้ทันรู้ทันกายที่เคลื่อนไหวเราก็รู้ทันใจที่มีการปรุงแต่งความอยากเกิดขึ้นในจิตใจเมื่อมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นในจิตใจเรารู้ทันนะมันจะละความอยากไปเมื่อนั้นความไม่ทุกข์ก็คือนิโรธก็ปรากฏนะเราก็จะเดินมัจมัจคือต้องจเจรเินให้มากทําให้มากก็คือเนี่ย คืแนวทางที่เราฝึกกันนี่คือคําสั่งสอนของพุทธเจ้านะแล้วคราวนี้หลวงพ่อเทียนท่านก็เรียนมาด้วยตัวของท่านเองแต่จริงท่านไม่ได้ดูเองนะถ้าท่านดูเองก็เป็นพระพระพุทธเจ้าเองนะแต่จริงท่านฟังคําสั่งสอนจากพระมาบ้างท่านศึกษากรรมฐ า, านจากปูบาอาจารย์มาบ้างแต่สิ่งท่านค้นพบว่าในหลายวิธีการนะ มันเป็นใบพิมพแค่ทำให้เกิดสมาธิชั่วคราวที่อาจาตย์มาได้พูดตอนตอน้นๆบางทีมันเป็นสมาธิแบบน้ําแข็งเข้าเข้ๆออกๆทาแบบนั้นมาหลายสิปีทําแบบนั้นมาหลายวิธีแต่ท่านก็ยังไม่เข้าใจตัวเองยังไม่ออกจากความทุกข์ยังโดนคนด่าก็ยังทุกข์อยู่นะยังไม่รู้เท่าทันอารมณ์ที่โกรธของตัวเองยังไม่สามารถรับความหน่งของตัวเองได้แต่พอท่านมาเจอสติ เนะจอสติในการรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวแล้วก็รู้ทันใจที่คิดนึกเนี่ยแหละท่านบอกว่าอันนี้แหละคือทางที่รักทางที่ตรงที่สุดที่ทำให้ท่านออกจากความทุกข์ได้ท่านก็เลยเกิดความมั่นใจในทางที่ท่านฝึกมามากนะทางนั้นที่ท่านก็ไม่ไเป็นคนดูหนังสืออะไรมามากนะนะเป็นคนที่เป็นคนชาวบ้านธรรมดานะเป็นตัตดสีตาดสาก็ว่าได้ แต่สิ่งที่ท่านมีคืออะไรถ้าเป็นคนทําจริงทําจริงนะเวลาบอกว่าออกจากบ้านก็ออกจริงๆนะไม่บอกว่าไปไหนได้ซักนะการงานต่างๆก็ทิ้งให้ให้พรนรยาให้ลูกทําต่อไม่บอกว่าจะกลั บ, ลบมาบ้านเมื่อไรแต่คิดในใจว่าถ้าไม่มีลูกทำจะไม่กลับบ้านเอาแบบนั้นเลยนะอ อย่อที่วัดโรเกียวโตนี่ก็มีมีพระมาะบวชใหม่อู่รุ่นึงเป็นเป็นคนจีนนักแต่เป็นชาติแคนาดาไปอเด็กแคนาดาเป็นได้เป็นชาติแคนาดาก็ก็เพิ่งมาบวชก็าถามว่าก็พระอาจารย์ไปศาลก็ถามว่ า, า, า, วาจะกลับคนจีนไหมนะจ ะ, จะกลับจะกลับคนจีนเมื่อไหร่ประมาณนะั้นท่านตอบวา่าอย่างถ้ายังไม่คนจะกลับทุกข์จะยังไม่กลับคือตั้งใจมา มาอยู่ปฏิบัติจนให้คนจบความทุกข์เลยนะอืมก็เป็นความตั้งใจดีนะั่นแต่เราก็เห็นว่าก็คื อ, ว อ, อความเพื่ใจนะลูกชายคนเดียวการศึกษาก็ดีรูปร่างหน้าตาก็ดีนะแต่ก็ไม่ว่าตั้งใจที่จะออกมาค้นจากความทุกข์นะ น, นั่นอ้เนาะเรืพวก น, นี้เป็นเรื่องที่ถ้าคนมีปัญญาเนาะนะก็จะเห็นว่าคุณค่าของการภาวนาเนี่ย ม, มันมีคุณค่ามากชีวิตนี้ถ้าไม่มีการภาวนาเนี่ยมันมีแต่จะต้องทุกข์ลําไปแต่ควรที่จะมาต้องเร่งภาวนาดีวกว่าแล้ววิธีการแบบหลวงพ่อเทียนก็จะเป็นวิธีการวิธีการหนึ่งนะในหลายๆวิธีที่จะช่วยให้เราถอนทุกได้แต่ก็เป็นหนึ่งวิธีที่ต้องสอบเพื่อจะเจ้าแน่นอนแล้เวเราก็ค่อยมาเรียนรู้กันว่าวิธีการแบบหลวงพ่อเทียนนะ ที่เป็นเดื่ิ่ที่เรียกว่าเจริญสติแบบเคลื่อนไหวมันน่าจะเป็นคําตอบคําตอบหนึ่งนะที่จะทําให้เรารู้จักตนเองมากขึ้นและเราจะรู้จักความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นและเราก็ห เ, เราจะพบคําตอบที่จะทําให้เราออกจากความทุกข์ได้ดปวยตัวของเราเองนะไม่ใช่มากันมาฟังพระบรรยายธรรมแล้วจะออกจากความทุกข์นะอาตมาหรือว่าพระนะที่มาด้วยกันก็เป็นกิจแค่ เหมือนเป็นกระไดนาริทเนาะเป็นคนที่ชี้ทางให้กับพวกเราแต่คนที่ต้องเดินทางเนี่ยคือพวกเรานาะไม่มีใครที่จะเดินทางแทนกันได้คล้ายๆเหมือนเราอยากจะกิบนะเราก็ต้องกินเองนะนะเราอยากจะพ้นจะกความทุกข์เราก็ต้องปฏิบัติเองนะจะรับกันขนาดไหนก็ไม่สมามารถที่จะให้อย่างได้นะดังนั้นเราให้ได้เพีนงแค่บอกแนวทางในการปฏิบัติเกินการปฏิบัตินะต้องเป็นเรื่องของพวกเราเอง แต่ในการปฏิบัตินะมันก็คง ม, มันก็ไม่ได้ง่ายแต่ทีเดียวนะถ้า ง, ง่ายแต่ทีเดียวเนี่ยคนก็คงบนุษย์ทํากันเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วนะแต่การปฏิบัติมันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นไ ป, นปนได้แต่มาว่าประเด็นยากหรือง่ายตัดทิ้งไปเถิดนะถ้าเราคิดว่ามันยากแล้วก็ไม่ทําเนี่ยมันก็ไม่สาเร็จ ท, ทันทีเลยนะนั้นตัดทิ้งเรื่องว่ามันยากหรือว่าง่ายดีกว่าแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราจะทําให้มันได้นะมาว่า มันจะเป็นกำลังใจให้เราปฏิบัติแม้จะยากว่านะในบางครั้งบางคราวแต่ จ, จริงไม่ได้ยากเสมอไปหรอกนะมารับรองว่ามันไม่ยากเสมอไปหรอกมันยากแค่บางช่วงบางขณะหรือบางคราวแค่เท่านั้นเช่นประจวบใหม่ๆเนี่ยมันจะฟุ้งซ่ามันจะสงสัหรือบางคนก็ง่วงนอนอนะี่น่ะส่วนใหก็เป็นประมาณสามอาการนี่แหละมันเข้าใจ ย า, ย, ายากอยู่สําหรับบางคนบางคนมีกระดิตสงสัยอยากจะรู้คําตอบถ้าพระอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์อธิบายไม่เคลียร์ก็ยังวนเวีกับความสงสัยอยู่นั่งไปนะเดินไปแล้คิดหาคําตอบหรือบางทีฟังครูบาอาจารย์เรื่องรูปเรื่องนามเรื่องแยกธาตุแยกขันเป็นแบบไหนก็พยายามจปฏิบัติไปเขาคิดจะเทียบเทียมสภาวะตัวเองกับกับสิ่งที่เราคิดว่ามันเข้าใจที่ครูบาอาจารย์ทั้นว่า ข้อจินตนาการผ้ามาซ่อนกันแบบนี้นก็มีบางคนก็มักจะสงสัยดังเลยหรือบางทีก็ไม่กล้ากลัวว่าปัจสบวะนันจะเพี้ยงนะกลัวว่าปัสสาวไปแล้วมันจะบางคนกลัวถึงขนาดว่ากลัวว่าจะไม่มีปัสสาวะไปแล้วมันจะเฉยเไม่สามารถมีความสุขกับชีวิตได้นะกลัวว่าจะอยู่กับโรคแล้วมันจะแตกกว่าดานหรือว่าคนอื่นก็จะมองเราเพี้ยนนะบางทีกลัวแบบนั้นก็มีนะ กลัวว่าเราจะเชยเชยนะคนอื่นก็จะว่าเราผิดปกติในจริงมากล้าพูดว่ามันไม่ผิดปกติหรอกอยวกับคนอื่นนะมันจะมันจะเป็นปกติที่สุดละนะนะคนอื่นเขาสูบเ้าทุบคนหนึ่นเขาร้องไห้เสียใจแต่เราเป็นปกติอยู่นะ้อันนี้มันดีกว่านะแล้วการที่เราเป็นปกติแบบไม่หลงโรคเนะี้มันดีกวา่าการที่เขาที่เขาว่าเป็นปกติแบบเบี่ยงไปกับโลกนะั้นนะ ตามเล็กข่โลกนะนะอันไหนไมันจะดีกว่ากันให้เราคิดตัวแต่บางทีมันก็จะมีความไม่แน่ใจมีความสงสัยหรือบางทีแค่มีคนมาตําหนิหรือว่ามีคนมาพูดแย่ๆทาไม ช, ช่วงนี้เธอไปวัดอ่อยเหลือเกินทำไมช่วงนี้เธอดูตั้งใจภาวนาเหลือเกินทําไมไม่ไปนสนุกไปเที่ยวแบบกับเพื่อ น, อนบ้างเนะแค่นี้บางทีเราก็จะทำเลยสงสัยละเป็นเราผิดธรรมชาติหรือเปล่าน้อแต่จริงมาอยาจะบอกว่า มาทำเนี้ยดีแล้วไม่เป็นไรหรอกนะอ น, น้อยก็ทําให้เราเข้าใจเรื่องของชีวิตแล้วก็แม้จะมีคนไม่เข้าใจบ้างนะั้ธรรมดาธรรมดาธรรมดามากนะธรรมดาที่สุดเลยหรือบางคนก็ปัจิบัตนะิมาหลายวิธีก็พ้นไม่ได้เลยเพื่องความมุง่งนะนั่งสมาธิก็มักเป็นม่วงนะทําไปก็มัจนะนะดับนะไม่ใช่มุ่งเฉยๆนะดับตัวเลยใช่อืมแต่จริง ถ้าเราฝึกวิธีนี้โอกาสที่จะง่วงมันก็มีเหมือนกันนหะแต่อย่างไรมันก็ลืมตาทำหรือว่ามีการเคลื่อนไหวกายนะัมันก็จะทําให้เราช่วยคลายแต่วความม่วงได้มากขึ้นนะแต่จะบอกว่าไม่ง่วงเลยก็คงไม่ใช่หลักก็ง่วงนะแต่เพียง ว, ว่ามันจะออกเแ็นความง่วงโ ด, โดยโดยรูปแบบมันได้ได้พอสมควรนะหรือความฟุ้งซ่าน บางวิธีเนี่ยเขาจะเห็นว่าความฟุ้งซ่านนี่เป็นคล้ายๆเป็นศัตรูที่ต้องกําจัดที่เป็นปอะปากกับกันใดเป็นคล้ายๆเป็นคู่ต่อสู้แต่การเดินสติแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านไม่ได้มองความฟุ้งซ่านเป็นศัตรูไม่ได้มองความฟุ้งซ่านเป็นเรื่องที่ต้องกําจัดไม่ได้มองความคิดว่าเป็นอุปสรรคแต่การที่มีสติคอยรู้ทันว่าจิตมันฟุ้งซ่านมีสติคอยรู้ว่าจิตมันคิดเมื่อนั้นก็เป็นการไปกว่าเช่นเดียวกัน มันเอาความทุ้งต้านเอาความคิดนี่แหละมันเป็นอาหารของจิตะนะคล้ายบางทีหลวงพ่อเทนทักเรียบตที่เหมือนคล้ายความคิดเปรียบกับหนูตัวรู้เปรียบกับแมวเมื่อใดที่มีสติรู้ทันว่ามันคิดเมืนน่อนันก็เหมือนคล้ายแมวมันจับหนูได้นะมันก็จับประกบนะตบปะปบหนูแล้วก็มากินนะเมื่อกินหนูแล้วอะไแมวก็โตขึ้นได้อาหารอัะนนะั้นการที่มีสติรู้ทัน ว่าจิตมันเผลอไปคิดหรือรู้ทันว่าจิตมันฟุ้งต้านไปก็เป็นการรู้สึกตัวเป็นปัญญาขั้นหนึ่งที่ทําให้กําลังสติมันเติบโตขึ้นเราให้มองว่าความคิดความฟุ้สร้างเป็นอุปสรรคเป็นปัญหานะแต่เราเอความรู้ทันว่าจิตมันคิดนั่นแหละมาเป็นปัญญาในการเห็นว่าจิตมันไม่เที่ยงจิตมันบังคับไม่ได้มันคิดของมันเองนั่นน่ะดันั้นการเติอนสติแบบนี้นะมันจะเห็นว่าตัวตัวอีอย่างเนี่ย มันเป็นเพียงแค่สภาวะอาการหนึ่งที่ทําให้จิตมันเกิดปัญญาเกิดความรู้นะแล้วก็รู้แล้ไม่ให้ติดในตัวรู้ด้วยรู้แล้วก็บางก็รู้เพราะว่ามันจะรู้ตัวใหม่ทุกขณะนะไม่ใช่เป็นประคองตัวรู้แค่กัว ร, รู้นะแต่เราจะรู้เป็นขณะเป็นขณะเคลื่อนไหวหนึ่งครั้งก็รู้หนึ่งครั้งเคลื่อนอีกก็รู้อีกนะเคลื่อนอีกก็รู้ใหม่ คืรู้เป็นครั้งรู้เป็นครั้งรู้เป็นขนาหรือเป็นขนาดหรือจิตมันคิดไปก็รู้มันทีละครั้งทีละครั้งไปมันเปลี่ยนอารมณ์ไปเป็นสุขเป็นทุกข์เราก็รู้มันทีละครั้งมันจะรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ว่างรู้แล้วก็ว่างนะเหมือนกับเราหายใจนะเราหายใจเข้าโอ้เราบอกหายใจเข้ามัสบายเราหายใจเข้าก็สิถ้าไม่หายใจออกเป็นไงจากตอนกหายใจเข้าสบายนะต่อไปมันก็ไม่สบายใช่ไืม หือบางคนองนอนพออยมาพอกลั้นลมหายใจเข้าแล้วมันมันทุกข์หายใจออกก็มสบายดีนะสบายดีหายใจออกนานๆสิไม่หายใจเข้าเป็นไงก็ทุกข์อีกใช่ไหมนะเมื่อไหรที่เราหลงไปยึดว่าอะไรมันคือความสุขที่แท้จริงมันพร้อมจะปลีจากสุขนั้นเป็นทุกทันทีมันก็เราหายใจเข้าหายใจออกมันก็มีค่าเท่ากันนะ มีค่าเท่ากันอันนี้เราจะเห็นว่าทุกอย่างมันแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะอาการที่เกิดขึ้นกับกายก็ดีเกิดขึ้นกับจิตก็ดีนะเราค่อยๆฝึกให้เห็นนะนนี้คือสิ่งที่จะมามาเป็นเพื่อนนะมาเป็นการชี้ทางบอกทางแล้วก็ปฏิบัติทํากับพวกเราด้วยเนาะก็จะให้พระอาจารย์ตุ้มท่านแนะนําวิธีการปฏิบัตนะินั้นแล้วก็จะได้พาพวกเราปฏิบัติก็คงมีทั้งคน ที่เคยปฏิบัติแล้วนะแล้วก็คนที่อาจจะเป็นคนใหม่ที่เพิ่งปฏิบัติก็ก็ยินดีต้อนรับนะที่จะเป็นเพื่อนร่วมปฏิบัติในการออกจากความทุกข์นะแม้เราจะเป็นเพียงแค่คนกลุ่มน้อยในในโลกนี้นะที่สนใจวิธีการที่จะออกจากความทุกข์จริงๆแต่ต้องขอให้พวกเราเป็นคนที่ที่มั่นใจนะเพราะกันที่เราทําเช่นนี้แหละนะเป็นทางที่ที่ถูก เป็นทางที่ดีนะให้พระเราเกิดความมั่นใจว่ิดที่เราทำเนี่ยมันดีมากแล้วนะนิ่เหมือนชาตารนะั้นให้แนะนำาวกเราในะคร เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคอยดูความเปลี่ยนไปของกายคอยดูความเปลี่ยนไปใจให้เราให้เราแบบว่าเราทาเวลาที่เราปฏิบัติทำเราทาแบบนี้นะคอยดูอะไรเกิดขึ้นกับกายคอยดูอะไรเกิดขึ้นกับใจความรู้ทุกนี้เองเนี่ยจะเป็นความรู้ที่ทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าไม่หลงไม่หลงว่าความสุขนเป็นสารณะ เมื í, là, oh, nữa, ่อกี้เมื่อจะนอนก็บอกว่าโอ้หายใจเข้าเป็นสุขเนาะใช่ไหมฮะพอหาใจเข้าเป็นสุขพอเราบริโภคสุกไปสักพักหนึ่งมันก็ไม่สุกนะมันก็กลายเป็นทุกข์อีกละอย่างเนี้ยนั่นก็คือตรงนี้ฮะว่าคือพอเราอยู่ในชีวิตประจำวันใช่ไหมเราก็แสวงหาสุขแล้วท้ายสุดเราก็ลืมดูไปนักว่าไอ้ที่เรากําลังแสวงหาอยู่ท้ายสุดมันก็เราก็เบื่อเราก็ไม่ชอบเนาะ คำาเบื่อไม่ชอบก็เป็นทุกข์อีกแล้อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะนี่แต่ว่าเราก็ไม่จำกันเนาะพอทุกข์ก็วิ่งไปหาสุขพอสุขมันหายไปเราก็ไม่ทันเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็วิ่งหาสุขครั้งใหม่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยใช่ไหมฮะแต่พระเจ้า ก, ก็บอกว่ามันนี้จริงไม่มีไม่ใช่มีแค่ทุกข์กับสุขเท่านั้นเองที่มันเป็นฝ่ายกำลันข้ามกันที่จะไม่ให้เราวิ่งวิ่งไปหาทุกข์ก็วิ่งไปหาสุข ใช่ไหมฮะทุกข์ก็วิ่งไปหาสุขพระเจ้าบอกว่ามันมีที่ไม่ทุกข์ใช่ไหมฮะไอตรงจุดไม่ทุกข์เนี่ยใช่ไหมฮะสุขก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะก็คือสุขใช่ไหมฮก็มีไม่ทุกข์ไตอตรงไม่ทุกข์เนี่ยฮะที่พระเจ้าบอกว่าเป็นสุขยิ่งกว่านะตรงนี้ยเป็นสิ่งที่ให้เราลองเรามาสังเกตกันเรามาสังเกตกันว่าเราปฏิบัติธรรมกับเรา ดูนะครับความเป็นไปของกายดูความเป็นไปของใจเมื่อกี้เนาะใม่ไหมฮะใจเราก็อยากไปหาทุกข์อยากไปหาสุขทุกสุขมันไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเนาะใช่ไหมฮะใจะมันบริโภคทุกบริโภคสุขใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยแต่ว่ากายก็บริโภคอีกอย่างเพราะฉะนั้นนี่คือตรงนี้ครับว่าอาการของกายก็มีให้เรารู้อาการของใจก็มีให้เรารู้ตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญว่าชีวิตของเราไม่ค่อยได้ดูเรื่องพวกนี้กัน ถ้าเราไม่ค่อยดูเึงพวกนี้กันเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตเราสับสนเพราะชีวิตเราสับสนเนี่ยมันก็ทําให้เราเหมือนกับว่านะคล้ายว่าไม่เห็นความจริงของชีวิตเมื่อไม่เห็นความจริงของชีวิตชีวิตเราก็วุ่นวายไม่อยู่นะครบวุบ่นวายไม่อยู่ใช่ไหมฮะหาหลหาักหาอะไรจับไม่ค่อยได้ถ้ายสุดจะเรียกว่าก็วนเวียนอยู่นะครบวนเวียนอยู่หาทางออกไม่ได้นะนั่นนี่คือตรงเนี้ย อย่างที่บอกว่าออถ้าถามว่าแบบว่าไม่ก็เรียว่าเมื่อกี้พระอาจารย์นรุษบอกว่าที่บอกพระท่านบอกว่าถ้าถามว่าแบว่าเหลี่ยนไม่จบนะเหมือนว่าไม่รู้นะฮะให้ถึงที่สุดไม่ถึงที่สุดของจุดที่เรียกว่าไม่ทุกเนี่ยก็จะไม่กลับอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นนี่คือตรงเนี้ถ้าพวกเรามีความมุ่งมั่นอย่างนั้นเนี่ยพวกเราเรา วิธีการที่พระจันทร์นลบอกมาพระเจ้าสอนเาไว้ปีนี้ก็ 2,600 ปีเนาะสที่สอนไว้เนี่ยยังใช้ได้อยู่นะและก็สิ่งที่พระจันทร์นพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็พระร์นก็จะพูดถึงว่ามีสติคอยดูความเป็นไปของกายคอยดูความเป็นไปของใจพระจันทร์นลไม่ได้พูดถึงนะว่าต้องอาศัยพิเครื่องมือเครื่องไม้ทันสมัยอะไร มีแค่เพียงสติที่เราก็มีอยู่เรียบร้อยกายเราก็มีอยู่เรียบร้อยใจเราก็มีอยู่เรียบร้อยมี3ามอย่างนี้เพราะนั้นเองนะฮะเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยเราก็พร้อมกันมีอยู่แล้วพร้อมกันเนี้ยลองดูเมื่อกี้พระอาจารย์โน้นก็โปรยเอาไว้นะฮะบอกว่ารำเทียนใช้ความเคลื่อนไหวใจทำเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวของกายความเคลื่อนไหวของใจแล้วก็ใช้สติเนี้ยคอยดูนะนั้นพอเราดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆ เราก็จะเข้าใจนะฮะเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าบอกว่ามันมีความไม่เที่ยงใช่ไหมฮะมีความเป็นทุกข์มีความไม่มีตัวตนที่เขาเรียกว่าไตรลักษณ์เนี่ยใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยที่มันจะปรากฏขึ้นมาให้เห็นผ่านผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าคอยดูความเป็นไปของกายคอยดูความเป็นไปในใจเป็นจริงไหมนะที่ว่าการนี้นะฮะ มันไม่เที่ยงการนี้มันเป็นทุกการนี้มันไม่เป็นตนวตนไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเราหรือใจนี้ไม่เที่ยงใจนี้เป็นทุกใจนี้ไม่มีตัวตนใจนี้ไม่ใช่ของหลังอย่างเงี้ยจริงกรือเปล่าอะไรเงี้ยเราออกมาดูกันว่าความเคลื่อนไหววิธีการเคลื่อนไหวของนักเทียนเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ช่วยให้เราได้เห็นเรื่องแบบนี้จริงหรือเปล่าหรือว่าคําสอนที่พระเจ้าบอกเอาไว้เนี่ยที่พระเจ้าเฉลยนะเราเองเราก็ต้องต่ามคำเฉลยนั้นไปนะลองดูว่าเป็นจริงไหม เราลองหกันนะฮะลองเอามือวางไว้บนเขากันมือวางไว้บนข่ากันรเราผูเรียนสอนนะฮะจะสอนเรื่องรู้สึกหรือว่าเขียนเป็นรู้สึกหรือว่าเทียนหว่าเขียนก็จะถามง่ายๆว่ารู้ไหมว่าตอนนี้มเราอยู่บนขารู้ไหมรู้นะฮะใช่ไหมฮะเนี่ยตรงเนี้ยมือลังคือส่วนหนึ่งของกายนะฮะจะมีหน้าที่วางอยู่บน ตรงเนี้ยเราก็เขาเรียกว่ามีมือบังอยู่บนข่าวเนเรื่องของการนะมีใจที่รู้นะฮะมาออกอีกใช่ไหมฮะมือบันอยู่บนขเนะี่ยเราก็พอรู้ไหมเนี่ยนะฮะความรู้สึกตัวตรงเนี้ยเราก็เริ่มเราก็เริ่มพอมองเห็นว่าอ๋อมันมีความเกี่ยวข้องของการมีความเกี่ยวข้องบใจแล้วเนาะอย่างเงีนะ้ยแล้วก็ตรงเนี้ยฮะรู้ง่ายๆทุกคนก็รู้เลยมีใครไม่รู้ ม, มันมือเราอยู่บนข่า ไม่มีนะใช่ไมับไม่มีตรงเนี้ครับนี่นี่คือสิ่งที่ความรู้แบบเนี้ยมันก็เถียนบอกว่ารู้ซื่อๆนะรู้เฉยๆไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเลยรู้จริงไหมเมื่อวานนี้ก็มีไปไป <c oughs> ไปพาปฏิบัติที่เมือนต่างที่แจ้งวัฒนะ <c oughs> ก็มีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งท่านก็ถามบอกว่ารู้ที่ท่านรู้เนี่ยเราต้องคิดหรือเปล่า <c oughs> ตอนนี้มือระวางอยู่บนขาต้องคิดมั้ยไม่ต้องนไม่ต้องจริงๆนะนี่นี่คือสิ่งที่เรว่ารู้ซึ้งๆรู้อย่างนี้แหลนะนะหรือว่าถ้าเราไม่แนะ่ใจนั้นเราเอามือไวข้างหลังเอามือไว้ข้างหลันข้างกลัมม์งออเรารู้ไม่ว่ามือกรากันรู้แน่นอนเลยนะัะตอนนี้เพราะว่าตาไม่เห็นแล้วนะเมื่อกี้บางทีอาจจะแอบบเหลือบๆใช่ไหมฮะ ตอนนี้เนี่ยมือเรยอยู่ข้างหลังพอกำบุ๊บเราก็รู้วหมุนกับแบนปุ๊บก็รู้ว่ารูว่าแบบใช่ไหมฮะตอนนี้ความรู้สึกตรงนี้นะเป็นสิ่งที่เราจะเอามาคอยรู้สึกกับความเป็นไปของกายเราคอดูความเป็นไปของใจเรารู้สึกได้ไหมว่าตอนนี้การเราเป็นยังไงรู้สึกได้ไหมว่าตอนนี้ใจเราเป็นยังไงตรงนี้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยตอนนี้ใจเราเปิดเป็นทุกตอนนี้ใจเราเปิดเป็นสุขอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ คือถ้าเกิดมาเรารู้แบบนี้ชีวิตเราต้องตอบไทยนะอย่างนั้นนั่นก็คือตรงนี้ที่มาฝึกกันฝึกให้เราเนี่ยคุ้นเคยกับการมองกลับเข้ามาที่กายเรามองกลับเข้ามาที่ใจเราตรงนี้มจะเป็นสิ่งที่พระอาจารย์นบอกว่าบางทีเนี่ยอาจจะเบือเพราะเื่องจากว่าพวกเราอาจจะประสบความสําเร็จในชีวิตเกิดมาหลายอย่างใช่ไห้ครับแต่พอมาเริ่มต้นทําอะไรเหมือนเด็กๆสักอย่างเนี่ยมันมันน่าเบื่อมากเลยนะฮะหรือมากแค้เงี้ยมันก็ บางทีบางคนอาจจะเป็นผู้จัดการมีลูกน้องแย่ๆใช่ไหมครับแล้วเราจะต้องมานั่งเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบเนี้ยแบบ น, น, นะฮะซึ่งก็ให้เราลองดูเลยว่าความรู้ตรงนี้จะเป็นความรู้ที่ทําให้ชีวิตเราได้เิ็นทุกนะฮะนั่นคือลองลองดูแล้วก็เรียนสอนสิ่งที่เรียกว่ารู้สึกตัวนะครับผ่านความเคลื่อนไหวของร่างกายเอาความเคลื่อนไหวของร่างกายมาเป็นแบบฝึกหัดเพื่อให้เรา คุ้เคยกับการรู้สึกมาที่กายคุ้นเคยกับการรู้สึกมาที่ใจนะตรงนี้เราวังให้มันขับเรียบร้อยแล้วนะ เ, น เ, เรียกว่าเทียนเรียกว่าออกแบบออกแบบบทเรียนเอาไว้เดียบม า, าการสร้าง จ, า จ, าจานะังหวะสิจังหวะนะพลิกมือขวาแต่แคงขึ้นนะพลิกมือขวาคํางขางลงพนะลิกมือขวาแต่แคงขึ้นพลิกมือขวาค้างลงนะ มีความเคลื่อนไหวเนะใช่ไหมนะพอพลิกปุ๊บเนี่ยมีความเคลื่อนไหวการไม่พลิกมือแล้พวยิ่งนิ่งเราใช่ไหมฮะพอพลิกปุ๊บก็มีความเคลื่อนไหวนะฮะความลงกลก็มีความเคลื่อนไหวเรารู้สึกกับการเคลื่อนไหวได้นะรการิ่งๆอยู่ใช่ไหมฮะก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเนาะใช่ไหมฮะอย่างงี้เนาะทีนี้สีจังหวะเป็นยังไงก็คือมาเริ่มต้นที่พลิกมือขวานตัวใงขึ้นยขึ้นนะ เมาวางทับไปที่ท้องพลิกมือซ้ายจะแข็งขึ้นยืขึ้นเอนะ ม, มาทําไปที่มือขวาตึงมือขวาขึ้นนิดหนึ่งนะฮะยกออกข้างข้างวางบนเข่าความหลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นนิดหนึ่งยกออกข้างข้างวางมบนเข่าความหลงนะมันจะมีจังหวะเคลื่อนมีจังหวะหยุดนองมีจังหวะเคลื่อนมีจังหวะหยุด อย่างนี้หลวงพเทีเรียกว่ารู้เป็นกลางพลันรู้เป็นกลางพลันพอมือซ้ายมาจบที่เขาก็เรียมานี่มีการเคลื่อนไปสิบี่ครั้งแล้วหลวงพเทียนรกว่านี่เรียกว่าสิบสีจังหวะก็ด้านแต่อีกอย่างหนึ่งหลวพเทียนบอกว่ า, วารู้แบบเรียกว่าโซ่นะฮะเป็นเป็นหั ว, หว เป็นหมวกเป็นครั้งครั้นครั้ ง, งไม่ใช่เป็นแหลกเส้นที่ยามยืดยืที่ไม่มีช่องไม่มีว่าง น, นะนะตรงนี้เนี่ยนะฮะก็คือเรารู้เป็นครั้งคังมีการเคลื่อนมีการหยุดมีการเคลื่อนมีการหยุดเคลื่อน ค, ค, ค, ครั้งหนึ่งนะฮะเรารู้ครั้งหนึ่งเคลื่อนครั้งหนึ่งเรารู้ครั้งหนึ่งนี่หลวงพ่อเทียนก็บอกว่าเมื่อมีกายที่เคลื่อนไหวเนี่ย เ, าา chosen, เราใจมันคอยรับรู้ นะแล้วก็เอาสติเนี่ยคอยดูดูการที่เคลื่อนไหวแล้วก็ตอนนี้ใจเนี่ยมารับรู้การเคลื่อนไหวของการหรือปล่านะงเงี้ ย, เ, ยเพราะว่าบางทีนะฮะในขณะที่เรารู้สึกตัวเนี่ยนั่นก็คือจากเนี่ยมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของการแต่ว่าอย่างเนี้ย เราก็ทำตามไปต้องมีต้อมีความคิดมากขึ้นมาใจไปอยู่กับความคิดนะฮะอย่างเงี้ยใจมัก็ไม่ได้อยู่กับกายอย่างเดียวแต่ว่าบางทีการเคลื่อนไหวก็เกิดขึ้นนะฮะฉะนั้นคือตรงนี้หลวงประเทียนเขบอกว่าถ้าเกิดมารู้ว่าเผลอไปคิดให้กลับมากรนะฮะสตินะฮะได้เห็นใจที่เผลอไปคิดเมื่อกี้พอพรอาจารย์เขาบอกว่าสติ เหมือนแมวนะความคิดเหมือนหนูใช่ไหมฮเพราะ น, นั้นก็คือเผลอไปคิดไม่ผิดนะก็าราะเผลอไปคิดเนี่ยเหือนหนูสติเหมือนแมวใช่ไหมฮะเพราะ น, นั้นก็คือแมวก็ได้อาหารขั้นหนึ่งสติก็โตขั้งหนึ่ ง, ต, กก ง, งตรงนี้นะฮะเลียก ว, ว่าทำบ่อยๆหรือว่าสติโตขึน้นเราก็เรียก ว, ว่าเจริญสติใช่ไหมฮะนั้นก็คือตรงนี้นะฮะมาหลักนะฮะ ร, รู้ไปครั้งๆมีความเคลื่อนขั้งหนึ่ง มีการาพักหยุดนิ่งแล้ก็มีการเคลื่อนไหนะตวตรงนี้ไม่ต้องนับนะ <c oughs> ไม่ต้องนับรู้เฉพาะการเคลื่อนนะฮะรู้เฉพาะการเคลื่อนเอาเลยพอเลยจบแบบว่ามันเหมือนกับภาระที่นับก็ไม่ต้องมีนะมีภาระในการนับก็ทุกอีกนะฮะนั้นก็คือแค่รู้อย่างเดียวพอเลยรู้อย่างเดียวพอเลยไม่ต้องภาพเมืนะ่อตอนนี้ อย่างนั้นตอนนี้อย่างนี้นะฮะเพราะว่านั่นคืออันนี้นจะเป็นส่วนเกิดไปอีกนะฮะเราเอาใช่รู้ความเคลื่อนหมหยที่เกิดขึ้ น, นะะเนี่ยพราะมีการหยุด น, นะฮะมันก็มีการเคลื่อนให้เราเห็นใช่ไหมฮะอย่างี้ครูบาอาจารย์ก็จะเหมือนกับช่วยลดทุกข์ให้หลัสอนแบบไม่ต้องทำอะไรมากนะสอนแบบไม่ต้องทำอะไรมากนั่นก็คือตรงเนี้ยสิ่งที่เราเรียนรู้ตรงนี้ก็คือ เมื่อมีการเคลื่อนไหวให้มีใจเอามาคอยรับรู้ใช่ไหมครัเนี่ยแสดงว่าพอกายทําอะไรเนี่ยใจจะทําด้วยแหละเราเนาะเคยผ่านชีวิตเกิดมาทําแปลงฟันก็แปลงไปใจก็ลอยไปทันเข้าวไปใจก็ลอยไปทํางานไปใจก็ลอยไปเราก็รู้นะว่าใจลอยใช่ไหมครับหนึ่งเนี้ยแต่ว่าตรงนี้เนี่ย เมื่อก่อนเราอาจจะไม่เห็นทุกไม่เห็นโทษนะแต่ว่านั่นคือใจลอยไปก็ลอยไปหาเรื่องหาหาาอะไรมาให้เราเดือร้อนใจกันนาตรงนี้นั่นั่นคือตรงนี้ว่าไม่ต้องให้ใครเตือนเราแต่เราจะมีสติคอยดูคอยดูแลใจเราว่าใจเราลอยไหมพอสตริรู้ว่าใจลอยเราหัน ก, กลับมากลับมาที่ไหนกลับมากับ ก, บการเคลื่อนไหวของร่นกาย ตรงนี้นะฮะเมื่อกี้อย่างพระจานท์นวลบอกว่าอย่างที่เราปฏิบัติกันมันจะลืมตามันจะลืมตาเพราะว่าเพื่อให้น้ำเนี่ยทำเช่นปกติเราทํางานก็ดืมตามเนาะเดินไปเดินมาเราก็ลืมตามตรงนี้ให้เราคุ้นเคยว่าการปฏิบัติธรรมกับชีวิตประจําวันเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนั่นนึ่งคือเหมือนกับเราเนาะตอนนี้เนี่ยเรากําลังสร้างความเคลื่อนไหวขึ้นมาเพื่อให้ใจของคนรับรู้ ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นรูปแบบอันหแนบบึ่งที่เหมือนกับสูตรคูณเนาะมีสูตรให้เราพ้องให้จำางเีนะ้นั่นคือตรงนี้คนระับว่าเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวแบบเนี้ยพอมีความเคลื่อนไหวใจก็มาคอมรับรู้พอมีการเคลื่อนไหวใจมาคอยรับรู้พอใจเขาเขาเรียกว่ามีสํำนึกที่จะมาอยู่กับการเคลื่อนไหวเนี่ยตรงนี้คมันจะทําให้เราเนี่ยเดินไปทำข้าวเขียนหนังสือใช่ไหมฮนะคุยกับเพื่อนนะ ล้างหน้าแลงฟันสัมลัสมีความเคลื่อนไหวทุกบันนะนั่นคืออีกหน่อยเนะี่ยเราจะทํำนู่นทำนี่เนี่ยด้วยแบงใจมาคอยทำด้วยมีสติคอยดูแลกายมีสติคอยดูแลใจแล้วก็ตรงนี้คมันจะเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยทำก็เรียกว่าทําเรื่องทุกทําเรื่องโทษน้อยลง น, น, นะฮะนะฮะทำอะไรต่างๆด้วยสติไม่ได้ทํำด้วยความเผลอเลยไม่ได้ทําด้วยความไม่ตั้งใจไม่ได้ทำด้วยความใจรอย แล้วคนนั้นนัคือตรงนี้นะครับแค่นี้แค่นี้นครับเราลองทำไดูสักครู่หนึ่งนะครับ เขียนบอกว่าอย่างนี้ครับพอเวลาที่เราเหมกับพอพองเขาเรียกว่ามีรูปแบบเนาะอันนี้คือเรียกว่ารูปแบบในการปฏิบัติเราทํารูปแบบได้แล้วก็เราก็ไม่ต้องไปโผล่แล้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่ยุ่งยากครูอาจารย์สอนเรื่องไม่ยุ่งยากแต่ว่าเนื้อหาจริงๆก็คือความรู้สึกตัวรู้สึกได้ไหมว่ามีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นรู้สึกได้ไหมว่ามีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นรู้สึกได้ไหมว่าาจเผยไปคิด ตรงเนี้ยนะฮะตรงเนี้ยเราให้เราคอยรู้สึกนะครับคอยรู้สึกตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เรียว่าตรงก็ไปสู่ความรู้สึกตัวแล้วกความรู้สึกตัวตรงเนี้ยนะฮะจะเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกได้ไหมว่าเราทุกเรารู้สึกได้ไหมว่าเราสุขหรือว่าเรารู้สึกได้ไหมว่าเป็นปกติดีนะฮะอันนั้นคือตรงเนี้ยนะฮะเป็นสิ่งที่หัดนะเราหังเนี้ยหัดให้มีนิสัยนะะกลับมา ดูความเป็นไปของการดูความเป็นไปของจังเมื่อกี้พ่าอาจารย์เล่าบอกว่าทำสบายๆนะใช่ไหมคนระัไม่ต้องเกรงไม่ต้องนั่นตรงนี้ก็เป็นความรู้สึกที่เราคอยดูความเป็นไปของกายบางครั้งถ้าหากว่าเราพยายามมากไปพยายามทางกายมากไปพยายามยกมือชา้าพยายามยกมือเร็วพวกนี้ก็นะฮะก็เป็นความพยายามที่ไม่ปกติ น, ะนั่นก็คือกายที่ไม่ปกติแล้วก็ถอดกลับ สู่สิ่งที่เราเรียกว่าความการคลายบางทีพยายามตั้งใจมากไปใช่ไหมคําว่าตั้งใจมากไปมันมากไปหรอกใช่ไหมใจมันตั้งมากไปแข็งอีกเกร็งอีกใจมันเกร็นั่นก็คือตรงนี้ใจก็ไม่คลายนะนั่นก็คือตรงนี้ว่าเราหลบปรับาหลบปรับปรับการปรับใจกันกายเราก็จะทุกข์น้อยลงใจเราก็ทุกข์น้อยลงกายไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์ก็ดีนะ ทุกคนก็ไม่มีนะฮะ